นบัดนีถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาให้ภาสันนั่งขัดสมาธิทุกทุกคนาการนั่งขัดสมาธินี้ให้เอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้าย หัวแม่มือจดกันตั้งกายให้เที่ยงตรงไม่ให้ก้มนักไม่ให้เงยนักไม่เอียงข้างซ้ายข้างขวาเสร็จเรียบบร้อยแล้วให้กาให้หลับตาแล้วให้นึกภาวนาพุทธอ พกลมหายใจเข้าและออกลมหายใจเข้าและออกนี้เป็นเครื่องบอกเครื่องสอนภาวนาคำว่าสมถภาวนานั้นอุบายใดที่ทำใจของเราให้สงบระงับได้ไม่เฉพาะแต่พุทธโธ พุทธนี้เป็นชื่อเป็นพระนามของพระพุทธเจ้าลมหายใจเข้าออกนี้ก็เป็นอุบายภาวนาได้